บทนี้จกแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการตั้งสติตามระลึกดูดจิตนั้นจิตที่ปรากฏและครอบงำบุคคลอยู่มากก็คือจิตที่ประกอบด้วยราคะ บังคับให้จิตของตนเองสายไปในอารมณ์ต่างๆก็เรียกได้ว่าคนเราอยู่ด้วยความโลภมากแต่เนื่องจากกิเลสประเภทนี้มีลักษณะดังที่เคยกล่าวว่ามีโทษน้อยแต่จะคลายไปจางไปเบาไปจากใจิตใจได้ยากจิตเกิดความกำหนัดยินดีในอารมณ์ใดก็ตาม มักจะมีเชื้อบวกให้เกิดยินดีมากขึ้นในอารมณ์เหล่านั้น <c oughs> ดังนั้นเวลาทรงสั่งสอนธรรมะที่เกี่ยวกับเรื่องจิตในฝ่ายนี้ซึ่ง จ, ง, จงทรงจำแนกปริยายออกเป็นอันมากโดยในยะหนึ่งนั้นได้ทรงแสดงให้บุคคลวิเคราะห์ดูจิตของตนที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะว่า เจตสิก ค, คือกุศลหรืออกุศลอะไรตามหน้าที่ปรุงแต่งจิตของตนอยู่ในขนะดนั้ น, น, นโดยเฉพาะในกรณีของราคะหรือโลภะการแสดงปฏิกริยาต่อจิตคือเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทำงานต่อจิตในรูปแบบต่างๆกันถ้ า, ากาคนไม่รู้จักรูปร่างหน้าตาแก่ชัดเจน ก็อา จ, จะหลงผิดเข้าใจผิดได้ทํานองเดียวกับสินค้าที่ปรากฏในรูปต่างๆบางครั้งเป็นสินค้าชนิดเดียวกันนั่นเองแต่เปลี่ยนสีบ้างเปลี่ยนกรอปัจจุบ้างเปลี่ยนรูปลักษณะบ้างคนก็ไปซื้อสิ่งเดียวมาในหลายรูปหลายลักษณะโดยที่ตนเองไม่สามารถแยกได้ว่าอะไรเป็นอะไร และไม่สามารถเข้าใจได้ ว, ว่าแท้ที่จริงเป็นเรื่องเดียวกันเรื่องกิเลส ท, ที่ปรากฏขึ้นภายในจิตก็เป็นเช่นนั้นทรงสแสดงว่ากิเลสประเภทนี้เมื่อเกิดขึ้นจะทําหน้าที่หมักหมมอยู่ภายในจิตมันเป็นเหมือนอะไรเป็นเหมือนกับภาชนะสิ่งของต่างๆที่เรานําไปหุงต้ม สิ่งใดสิ่งหนึ่งแม้แต่สิ่งนั้นจะหมดไปแล้วแต่ส่วนหนึ่งจะยังหยับจับจูเช่นมีกลิน่นปรากฏเป็นกลิ่นเป็นต้นซึ่งก็หมายความว่าสิ่งนั้นไม่ได้ออกไปหมดแต่ส่วนหนึ่งก็ยังเป็นตะกอนจับอยู่ที่ยังเป็นคราบจับจู่ท่าเรียกกิ่เหล่านี้ว่าอาสวะกิจคือจะทำหน้าที่หมักหมมอยู่ภายในจิตใจ ข้อนี้ถ้าลองวิเคราะห์ตรวจ ส, ดสบดูจิตย้อนไปสู่อดีตที่นานไกลก็ได้เช่นในสมัยเป็นเด็กเคยพอใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอย่างมากและจากวันนั้นจนถึงบัดนี้ก็ไม่เคยพบเห็นสิ่งนั้นอีก <c oughs> ดูแล้วคล้ายๆว่าความพอใจในสิ่งเหล่านั้นจะหายไปแล้ว แต่พอมาถึงวันหนึ่งเกิดไปเห็นสิ่งนั้นเขาอาสวะที่หมักอยู่ภายในจิตก็จะฟูขึ้นมารับใจก็จะปรุงต่อก็เกิดความชื่นชมยินดีและเนื่องจากเป็นอารมณ์ในอดีตแล้วก็ปรุงย้อนกลับเข้าไปสู่อดีตด้วยแล้วก็ดึง <c oughs> ดึงสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกันในอดีตข้ามากับอารมณ์เหล่านั้น มีลักษณะให้เกิดการครุกคร้าวทางอารมณ์ใจของตนก็จะเพลิอนอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นข้นอนี้ผู้ปฏิบัติจะต้องวิเคราะห์จิตในขณะนั้นว่ามีราคะในรูปลักษณะนี้อยู่หรือไม่ถ้ามีก็ให้รู้ว่ามีถ้าไม่มีก็รู้ว่าไม่มีอีกประการหนึ่งนั้น จะทำหน้าที่พัดและทำให้ที่จมลงไปมันเหมือนกับสิ่งของต่างๆที่ตกลงไปในกระแสน้ำก็จะถูกกระแสน้ำเหล่านั้นพัดไปในที่ต่างๆสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองขาดการส่งตัวไม่อาจควบคุมตัวเองได้เรโอกาสหนึ่งก็จะจมลงไป ลักษณะของจิต ท, ที่กำหนดอารมณ์ว่าหน้าใคร่หน้าปรารถนาหน้าพอใจก็เป็นเช่นเดียวกันในช่วงหนึ่งกจะบังคับใจให้หมกมุ่นครุ่นคิดอยู่กับเรื่องนั้นอยู่ระยะหนึ่งตำนองกระแสน้ำพัดสิ่งที่ตกลงไปในกระแสน้ำและความคิดออกจะสเปะสปะไปเรื่อยเพราะในขณะที่กำหนดสิ่งหนึ่งว่าสวยงามนั้น มันมีสิ่งที่ใกล้เคียงกันกับสิ่งที่สวยงามก็เกิดกำหนดอีกว่าสวยงามด้วยพอมีสิ่งที่จมกันข้ามก็เกิดกำหนดอีกแนวหนึ่งเป็นเรื่องของโทสะจิตก็จะกำหนดอารมณ์อยู่อย่างนี้ได้ไปตราบใดที่ยังกำหนดในรูปลักษณะนั้นอยู่ใจก็จะสายไปเสร็จแล้วก็จะจมลงอยู่ภายในจิตใจนั่นเองถ้าในกรณีที่จมลงนั้น เมื่อไม่มีสิ่งอื่นมากระตุน้นมากระทบก็ไม่ทำปฏิกิริยาอะไรต่อจิตแต่ถ้ามีอะไรมากระทบแกก็แสดงตัวออกมาแต่นี่คือลักษณะของอารมณ์ที่บุคคลไปกำหนดหมายวัตถุ ก, การมทั้งหลายคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพในรูปลักษณะที่น่าใคร่น่าปรารถนาหน้าพอใจใจก็จะไหลไปในรูปไหลไปในเสียงไหลไปในกลิ่นไหลไปในรสและในที่สุดก็จะหมกมุ อยู่ระยะหนึ่งแล้วก็จมลงไปเป็นการเก็บการสะสมไว้ภายในใจอีกประการหนึ่งเขาเรียกโยคะคือประกอบหรือทำให้หมุนหรือขังเอาไว้คนนี้ก็ต้องวิเคราะห์จิตของตัวเองนี่ปรากฏเกิดขึ้นในขณะนั้ น, น, นว่ามีลักษณะ ประกอบคือขังจิตของตนให้หมุนวนอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือไม่โดยเฉพาะในกรณีนี้ก็คือเรื่องของความกำหนัดความรักใคร่ ย, ยินดีพอใจโลภอยากได้ในที่เคยกล่าวมาในวันก่อนถ้าสภาพจิตหมุนในรูปนี้จะมีความเพลิดเพลินมีความกำหนัดมีความยินดีอยู่ก็ให้รู้ว่านี้ราคะเหมือนกัน เป็นอาการของราคะที่ปรากฏอีกรูปลักษณะหนึ่งแต่บางครั้งมีลักษณะร้อยรัดวาลีต้องใช้ทำการธากิจคือจะทำหน้าที่ร้อยรัดอารมณ์หรือร้อยรัดใจไว้กับอารมณ์เหล่านั้นมีความผูกพันมีควา ม, มวงຽวเหนียวมีความยึดติดข้อนนี้พึงสังเกต บางครั้งจะกลายเป็นอุปสรรคของความสงบที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกอีกอย่างหนึ่งมาก่อนการปฏิบัติทำความสงบใจทรงสอนให้บุคคลตัดสิ่งที่เรียกว่าปริพเทศหรือเครื่องกังวลใจออกไปเพราะเครื่องกังวลใจบางอย่างมันแก้ร้อยจิตเอาไว้แทนที่จิตจะอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานก็จะถูกอารมณ์ที่เกิดจากความโลภความกาหนัดจินดี ร้อยเอาไวตัวนั่งอยู่ในที่หนึ่งแต่ใจก็จะเกิดผูกพันเกิด่วงใยญ่อยู่ในที่หนึ่งซึ่งจะอาจพวงใยตอนใกล้กๆก็ได้คนที่นํารถมาก็อาจจะห่วงใหในรถวันนี้คนมากรถจอดอยู่ใครจะทําอะไรใครจะเบียดเอาหรือเปล่าก็ไม่รู้คือบางครั้งก็อาจจะออกไปไกลถึงไปการงาน คิดถึงการงานที่จะต้องทำหลังจากกลับไปแล้วหรือจะทำในวันพรุ่งนี้บางครั้งอบางคราวก็อาจจะคิดทบทวนถึงเรื่องต่างๆที่ตัวชอบที่ผ่านมาในอดีตและก็วิ่งไปวิ่งมาในอารมณ์ทั้งหลายเป็นการสัมดงอาการสองลักษณะคื อ, อาการที่สายไปอาการที่ไหลไปกับอาการที่ร้อยรัดไว้ ซึ่งกจะปรากฏรูปลักษณะอย่างไรเปลี่ยนแปลงสีอย่างไรต่างสติจะต้องระลึกทันจิตในขณะนั้นเพราะนี้ก็ราคาเกิดขึ้นเหมือนกันแล้วก็รู้ในขณะนั้นว่าราคาเกิดขึ้นแต่ถ้ามีอาการตรงการข้ามกับกิจของราคาที่กล่าวแล้วในกรณีที่เป็นคู่กันก็ต้องถือว่าขณะนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนั้น จิตก็ปราศจาก ร, ราคะทั้งในรูปของการหมกหมุนทั้งในรูปของการไหลทั้งในรูปของการจมลงและทั้งในรูปของการผูกมัดไว้อาการประการต่อไปนั้นก็คือลักษณะกั้นคือจะทำหน้าที่กั้นจิตเป็นความกำหนัดความเพลิดเพลินในเรื่องหนึ่ง ทั้งๆ ท, ที่ตนทำงานในเรื่องหนึง่งอาการเช่นนี้เป็นอาการที่ต้องแก้หนักที่สุดคือเป็นผู้ปรับโดยตรงของสมถกรรมาฐานที่เราพูดกันว่านิวรณนนั่นเองข้อนี้จะพบว่าจิตที่สายไปได้แรงราคาในขณะนั้นที่จริงก็เพลินลอนอาจจะรำลึกถึงสมาธิที่ตนสัมผัส เมื่อก่อนวันก่อนเดือนก่อนปีก่อนก็ได้อาจจะนึกถึงปีจิก็ได้หรืออาจจะนึกถึงอะไรก็ได้ที่เป็นวัตถุกามคือวัตถุที่ก่อให้เกิดความกำหนัดรักไข่เยินตีแต่เวลานั้นขนาดนั้นถ้าตนไม่ได้ทำงานอย่างอื่นอยู่ความคิดที่เกิดขึ้น เป็นเรื่องของความดีท่านก็ถือว่าเป็นธรรมวิตกคือการตรึกนึกในธรรมก็ไม่ได้ใจเรื่องเสียหายอะไรแต่ถ้าในกรณีที่ตนกาลังฟังธรรมศึกษาธรร ม, รรมอบรมกรรมฐานจะใจย้อนกลับเข้าไปสู่อารมณ์อื่นคือคิดถึงเรื่องอารมณ์ที่น่าคล่น่าปรารถนาน่าปรารถนาน้าพอใจเหล่าอื่นหรือแม้จะเป็นอารมณ์ประณีตอย่างไรก็ตาม แต่จิตก็พากไปจากอารมณ์ของกรรทานก็ต้องรู้โดยขณะนั้นว่าจิตของเราประกอบด้วยราคาในขณะนี้เหมือนกันประยางที่บอกแล้วว่าเรื่องราคานั้นเก็บประณีตก็ปรากฏมาในรูปร่างลักษณะต่างๆบางครั้งบางคราวคนเราก็หลงทางได้เพราะคนที่จะตัดราคาได้เป็นระดับราชาคามี บุคคลนอกจากนั้นจะไม่มีใครพระอนาคามีกับพระอาหารหันต์เท่านั้นบุคคลนอกจากนั้นจะไม่มีใครตัดได้การสอนในชั้นต้นพระพุทธเจ้าจึง ส, สอนในรูปของการบรรเทารูปของการระลึกรู้ทันรูปของการแก้ทางของอารมณ์เท่านั้นตอนนิ่งๆปุ๊บปั๊บจะให้เลิกไปเลยเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในชั้นนี้ก็ให้รู้เมื่อแก่เกิดขึ้นก้านจิต ก็รู้ว่าสภาพจิตที่เป็นเช่นนี้สภาพจิตที่มีสิ่งหมักหมมเหมือนบ้านที่หมักหมมเรื่องสกปรกไว้เยอะหรือพระเจาที่หมักหมมของต่างๆไว้ก็ดูแล้วไม่น่ายินดีอะไรหรือว่าสภาพที่หลายไปสภาพที่จบลงสภาพที่ประกอบขังไว้หรือประกอบสภาพที่ร้อยรัดคือตแตละยางนั้นด้วนแล้วแต่ไม่ดีเมื่อเรามองรูปธรรมในเชิงเรียบเทียบเทียบเคีย เมื่อมองถึงจิตซึ่งตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็ต้องมองให้เห็นเป็นโทษเช่นเดียวกันเมื่อ เ, เมื่อระลึกรู้ว่าเวลานี้ขณะนี้จิตเป็นเช่นนั้นก็รู้ว่าจิตเป็นเช่นนั้นถ้าหากว่าตรงกระข้ามก็ชื่อว่าปราศจากราคะในกรณีที่เป็นคู่ได้โปรดเข้าใจว่าการแสดงเป็นคู่นั้นความหลากหลายของจิตที่จริงก็ไม่ใช่ยุติอย่างนั้น แต่ทรงแสดงเฉพาะคู่คู่คือให้เราโดยจุดเดียวไม่ต้องไปวุ่นวายกันเรื่องอื่นมากเกินไปพอเกิดจิตชำนี้ชํนานาญแล้วจะมองแบบกระจายหมดทุกขณะเลยแต่ตอนนี้ให้จับเป็นคู่ไว้ก่อนมีราคะหรือไม่มีราคะก็ให้รู้ถ้าเป็นฝ่ายราคะในชั้นแรกรู้ไว้เฉยเในชั้นที่สองก็เพียรพยายามพิจารณาเห็นโทษ ต, ต่อไปก็เพียรพยายามที่จะลั ในฝ่ายที่ตรงกันข้ามก็รู้โดยความเป็นคนในชั้นแรกก็รู้เหมือนกันชั้นที่สองก็พิจารณาให้เห็นโดยความเป็นคุณว่ามีคุณความดีอย่างนั้นอย่างนี้และในชั้นต่อไปก็คือประครับประคองเพิ่มพูนไว้ประครับประคองให้ดำรงอยู่และเพิ่มพูนให้สูงปางยิ่งขึ้นเป็นการสร้างสิ่งหนึ่งขึ้นมาล้างกิเลสที่เป็นปฏิปักษ์ต่อตน ตรงกันข้าบกับตนจิตของบุคคลก็จะสงบจากราคาได้ในขณะนั้นลักษณะประการต่อไปนั้นก็คือที่สงบนิ่งอยู่ในจิตสันดานที่ท่านเรียกว่าเป็นอนุสัยคือนอนเนื่องอยู่ภายในจิตคนแล้วไม่ค่อยมีลักษณะรุนแรง บางครั้งบางคราวเป็นการกำหนดหมายในรูปที่เรียกว่ารูปประราคาที่ประนิดกำหนดหมายรูปธรรม ท, ที่ประนิดซึ่งสำหรับสามั ญ, ญชนคนทั่วไปแล้วเช่นการกำหนดหมายการเติดเพลินยินดีในทิพ ย, ยสุขในพรหมสุขเป็นต้นนั่นก็เป็นเรื่องดีสำหรับสามั ญ, ญชนแต่เป็นเรื่องไม่ดีสำหรับพระอริยชนด้านการพิจารณาสังเกต จึงดูสภาพจิตในขณะนั้นๆั้นว่าอนุสัยเหล่านี้คือสิ่งที่นอนเรื่องอยู่ภายในจิตเหล่านี้ที่เกิดสงบนิ่งอยู่ภายในตำนองตะกอนนอนก้นภาชนะหรือว่าสิ่งโสกปลกทั้งหลายที่ตกจู่ใต้บ่อใต้สระพวกเหล่านี้จะพบว่านยามปกติก็ไม่ใช่เรื่องเสียหาย น้ำข้างบนได้ใช้สอยบริโภคดื่มกินได้แม้ผ่ายใครไปกระทบบ้างนิดๆหน่นนอยๆตะกอนเหล่านั้นก็ไม่ขึ้นแต่ถ้ามีการกระทบแรงแตะกอนเหล่านั้นก็ขึ้นมาคอ น, นี้ลองตรวจสอบวิเคราะห์ใจตัวเองได้บางครั้งบางคราวนั้นคนเราจะมีความรู้สึก ว่ากิเลส ข, ของตัวสงบเพราะก็อยู่ในสภาพอย่างนี้คือสภาพของอนุสสยสามารถสําแดงกายอาการทางกายทางวาจาออกมาได้แล้วอาจจะหลงว่าตนเองเป็นภริยาแล้วก็ได้แต่พอมีอะไรมากระทบก็จะรู้ได้โดยตัวเองว่าจริงหรือไม่จริงข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดง และทรงแก้ทางความคิดของบุคคลในยุคนั้นไว้เป็นนั้นมากเชิญภิกษุกลุ่มหนึ่งไปปฏิบัติสมณธรรมซสงบในชั้นที่เป็นอัปปนาสมาธิคือได้ถึงรูปฌานล้วก็เป็นความสงบแต่รูปฌปานอย่างที่บอกแล้วว่าเป็นการกดกิเลสไม่ใช่เป็นการลักกิเลสกิเลสยังอยู่ข้างล่างรูปฌานปรากฏอยู่ข้างบน เมือนเอาเสือไปปูทับสิ่งสกปรกไปดูข้างบนก็สะอาดตั้งนอนได้สบายแต่ถ้ารื้อเสือออกมาสิ่งปฏิกูลเหล่านั้นก็ปรากฏสภาพจิตเหล่านี้ก็จะทําหน้าที่อย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นว่าท่านเหล่านั้นแท้ทจริงแนละ้วท่านเป็นอย่างไรท่านเข้าใจะผิดอย่างไรในกรณีของการเข้าใจผิดหลงผิดเช่นนี้แม้จะปฏิญาณออกมายืนยัน ถึงสภาพจิตของตนว่าเป็นจันนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดเพราะท่านพูดตามท่านรู้ท่านเห็นจริงๆในพระวินัยนั้นถือว่าอิสุพูดอวดอุตริมนุยธรรมต้องอบัตตาราชิกแต่ถ้าท่านเกิดเข้าใจผิดท่านบอกไปก็ไม่ปรับอบัตติอะไรเพราะอะไรเพราะมันส ง, งบจริงๆเหมือนกัน แต่ในชั้นของการปฏิบัติก็ต้องรู้ว่านี้ที่จริงก็เป็นงานของโลภะหรือของราคะเหมือนกันจะต้องอาศัยการกระทบจากภายนอกอย่างพระเถระกลุ่มที่เล่าให้ฝังนั้นพระพุทธเจ้าทรงรู้ว่าแท้ที่จริงมันเป็นการสงบไม่ใช่เป็นการลา <S <S ก็เพื่อให้รู้ว่ายังมีอนุสัยนอนเนื่องอยู่ภายในจิตทันยยะแต่ท่านจะขอเข้าเฝ้าก็ไม่ให้เข้าเฝ้า บอกว่าให้ไปที่ป่าช้าผีดิบซะก่อนในสมัยโบราณนั้นมีลทัทธิอยู่ลทัทธิหนึ่งคือคนตายปั๊บจะต้องเอาไปทิ้งเพื่อให้อาหารให้เป็นอาหารของแรง้งในปัจจุบันก็ยังคงถือประพฤติปฏิบัติกันอยู่ในศาสนาสโสรัตเตอร์ไอศพบางทีก็ตายปกติธรรมดาไม่เจ็บป่วยนาน ยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะักถ้าเหล่านั้นเมื่อเข้าไปก็ถูกกระแทกจากซากศพนั้นไปศพบางศพที่ใหม่ๆ ย, ยังสวยงามจิตบางก็เกิดความหนักเกิดจินตีศพที่เปื่อยเน่าไปมากแล้วก็เกิดจริงจังเกิดขยะข ย, ยงเกิดปลวกก็รู้ด้วยใจทันทีว่านี่คืออาการของมันแล้วยังไม่สงบทัางก็นั่งตรงนั้นเอง นั่งเริ่มเจริญกรรมฐานพระพุทธเจ้าโค้ช่วยจี้แจงให้ท่านเกิดความเข้าใจเจริญมีปั ส, สนาจนมนุษยได้จริงๆเพราะฉนั้นพวกอนุสัยจึงดูได้ยากเพราะแกไม่ปรากฏทำปฏิกิริยาต่อจิตแกสงบอยู่ก้นบึ้งของจิตแต่ผู้ปฏิบัติจะต้องรู้นั้นคือราคะนั่นคือโลภะแม้จะปรารบรูปธรรมที่ละเอียดอย่างไรก็คือราคะ ชันนี้สําหรับบุคคลระดับหนึ่งไม่มีปัญหาทํานองเดียวกับอะไรทํานองที่พูดถึงมานั่นเองประมาณที่ทรงจําแนกแสดงว่าได้แก่อภิสังขารมานคือหมายถึงบาปถึงบุญกับรูปไปชนันรูปไปชนันไอบาปนั้นเป็นมานสำหรับคนทั่ ว, วไปแต่บุญนั้นสำหรับคนทั่วไปและไม่ได้เป็นมาน เป็นสิ่งที่ส่งเสริมพัฒนาสร้างสรรค์ให้เกิดความสงบความประนีตขึ้นพวกรูปประชานพวกอรูปประชานนั้นนั้นเป็นมารสาหรับพระอรหรันตานั่นเองเพราะถ้าหากว่าท่านยังติดในที่นั้นท่านก็เป็นพระอรหันต์ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นมารของใครไม่ใช่เป็นมารไปทุกกรณี อย่างคล้ายๆกับสถานะบางสถานะเป็นที่ต้องการของบุคคลทั้งหลายแต่สมัารลนบางคนที่มีคุณสมบัติพิเศษเหนือสถานะเหล่านั้นเมือเ่อไปติดอยู่ในสถานะเหล่านั้นก็ชื่อว่าเป็นมานสำหรับท่านเพราะท่านจะก้าวหน้าต่อไปไม่ได้สภาพของจิตก็เป็นเช่นเดียวกันมันอาจจะเป็นมานสำหรับคนระดับหนึ่งแต่อาจจะเป็นความดีสำหรับคนอีกระดับหนึ่งอนุสัยนั้น ถือว่าเป็นมารสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมะเบื้องสูงแต่สำหรับสามั ญ, ญชนทั่วไปถ้าสงบกิเลสไว้อยู่สภาพของอนุสัยแทนที่จะเกิดเป็นนิวนรรคุ้มรุ ม, รมใจมันก็จะได้ผลประโยชน์คือใจจะสงบเยือกเย็นมากทีเดียวเพราะอะไรเพราะถ้าอารมณ์ไม่กระแทกจากข้างนอกมาแรงแแล้วจะรักษาขุนความดีของตัวไว้ได้ตลอดไป ดังนั้นในชั้นนี้จึงเป็นเรื่องของความละเอียดประณีและต้องแยกให้ออกเพราะเมื่อก่เกิดขึ้นมาแล้วไกาจะทําสงบนอนเรื่องอยู่ภายในจิตเมื่อมีมากระแทกไม่หวั่นไหวที่ทรงแสดงว่าไม่แสดงอาการขึ้นลงหรือฟูขึ้นหรือฟุบฟลงเพราะประสบกับอารมณ์ที่น่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนานั่นก็แสดงว่าแม้แต่อนุสัยก็ไม่มีแล้ว การประพฤติปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนาก็เหมือนกับการวัดผลการศึกษาในปัจจุบันนั่นเองแต่ไม่ใช่เหมือนกันโดยประการทั้งปวงเพราะวัดผลปัจจุบันนั้นเก่งข้อสอบเราก็ได้บางทีดูเพื่อนเราก็ได้ก็อาจจะตอบได้แต่ว่าธรรมะนั้นจะต้องพิสูจน์กันที่ใจจริงๆดูกันที่ใจจริงๆมีอารมณ์อะไรมากระแทกกระทัะทนจะเกิดไม่หวั่นไหว ก็พิสูจน์ได้ถึงสภาพจิตใจของท่านเหล่านั้นหมดอนุสัยไปแล้วหรือบางครั้งในชั้นของขการหยาบๆยาเชนท่านเล่าถึงบุคคลคนหนึ่งต้องการจะไปสมัครเป็นนักการเมืองหัวหน้าพักก็แนะนาว่าเป็นนักการเมืองนั่นไม่ได้หรอกมันต้องมีความอดทนมีความเชื่อมั่นในตัวเองไม่หวั่นไหวใครจะด่าจะว่าอย่างไรต้องทนได้ไม่มีการโต้ตอบหักล้างการรุนแรง แกก็บอกว่าแกทำได้อย่างนั้นอย่างนี้ยืนยันมั่นเหมาะหัวหนาพักนั้นต้องการพิสูจน์พูดกันไปพูดกันมาแกจบลงด้วยคำว่ามีข่าวก็หรือว่าแม่คุณเนี่ยไม่ดีคนนี้ปังลุกขึ้นตบขาทันทีเลยใครว่าอย่างนั้นอย่างนี้เสร็จแล้วแกก็บอกว่านี่ที่คุณว่าทนะไม่จริงอ๋อว่าจะอดทนได้จะไม่หวั่นไหวต่อถ้อยคต่างๆพรนี้เพียงแต่ทดสอบทน้นเด็ก็ผ่านมาไดไปได้ไ ในชั้นนี้จึงเป็นชั้นที่จะต้องอาศัยการพิสูจน์ทดสอบจากภายนอกไม่ใช่ดูกันในขนาดนั้นๆแต่เป็นกิจอย่างหนึ่งของร า, าักะประการต่อไปก็คือจะทำหน้าที่ผูกมัดรัดหรึงใจเอาไว้นี่ก็คืออะไรก็คือลักษณะของสังโยชน์นั่นเองเพราะการวัดความสูงต่ำของพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา วัดด้วยการละสังโยชน์ได้แต่เป็นการละโดยเด็ดขาดสังโยชน์ประเภทราคะเกยไปอยู่ตรงไหนเกยไปอยู่เส้นลึกใดเกยไปอยู่ที่กรร ม, มาราคะรู ป, ปราคะอรู ป, ปราคะโดยเฉพาะรูปราคะอรูปราคะนั้นก็อยู่อันดับที่หกกับที่เจอยู่ลึกมากทีเดียวแต่เฉพาะการ ม, มาราคะคือความกำหนัดรักใคร่ยินดีในอารมณ์ทั่วไปนั้น พระนาคามีตัดได้แต่ในขณะเดียวกันพระนาคามีก็ยังติดสุขอยู่ในฌานเหมือนกันมันก็เป็นสังโยชน์อีกชั้นหนึ่งสำหรับท่านท่านก็ตัวนี้ก็กลายเป็นอุปสรรคสาหรับการเป็นพระอรหันต์ของท่านนี่คือความละเมียดละอยความหลากหลายและการปรากฏตัวในรูปแบบต่างๆของกิเลสประเภทราคะซึ่งตอนนี้ท่านตังหลายคงนึกได้ว่า ตอนที่พระพุทธเจ้าจัดสรุ้สเสด็จประทับจัดจัดสรุปนาในห้าสั ป, ปดาหแล้วไปประทับอยู่ที่ต้นไทรชื่ออาจปาในโครธนั้นมีนางตันหานางราคานางอารจีปรากฏเป็นรูปธปรรมออกมาในรูปลักษณะต่างๆคือสตรีในโลกมีรูปลักษณะอย่างไรก็จะบิดเบือนผันแปรให้เป็นไปในลักษณะอย่างนั้นเพราะว่าจุดอ่อนของคนในทางอารมณ์นั้นก็อ่อนผิดกัน รูปลักษณะอย่างหนึ่งทำให้คนหวั่นไหวไม่ได้แต่รูปลักษณะอย่างหนึ่งอาจจะหวั่นไหวได้วัตถุอย่างหนึ่งคนเราอาจจะวางเฉยได้แต่วัตถุอันหนึ่งคนก็อาจจะห ว, วั่นไหวครวมครามออกไปได้แต่เป็นการยืนยันว่าพระพุทธเจ้านั้นหมดอาสวะหมดกิเลส ท, ทุกรูปลักษณะเพินรูปประธรรมที่ปรากฏต่อพระพักของพระพุทธเจ้าก็สกักแต่วรรคานั้นเอง คนอื่นก็หลากหลายปรุงคิดคิดปรุงปรุงแต่งกันด้วยเพราะกิเลสบางใจบางปัญญาเอาไว้แต่พระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งไม่มีกิเลสบงังก็มองเห็นศักแต่ว่าเป็นมารเป็นรูปเท่านั้นเองนี่ก็หมายความว่ากิเลสทุกรูปแบบที่มีชื่อต่างๆทําหน้าที่ต่างๆกันดังกล่าวและในตอนต้นนั้นให้ถูกละขาดไปแล้วภายในจิตใจของพระองค์อย่างแท้จริงเพราะการบรรลุอาสุภขยาณการรู้จิตที่ประกอบด้วยราคะ และปราจจะจากราคาจึงเป็นการรู้เพื่อขั้นตอนต่างๆคือชั้นแรกรู้ตามสภาพเป็นจริงดังกล่าวชั้นที่2กํกำหนดละในกิเลสประเภทราคาซึ่งออกมาในลักษณะต่างๆและลงมือประพฤติปฏิบัติรักษาคุ้มครองไว้ในส่วนที่ตรงกันค้าชั้นที่3ก็คือพิจารณาให้เห็นถึงอาการเลื่อนไหลเปลี่ยนแปลงของกิเลสที่จะปรากฏในรูปลักษณะอย่างไรก็ตาม เป็นกลุ่มของธรรมะล้วนๆที่หมุนไปหลายไปแล้วก็จะเห็นถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกปรากฏจุดในจุดนั่นเองต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อ